ผู้มีธรรมยานและอนนวายยานที่ขุทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำค่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชรา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 ย่อมมีอยู่ดังนี้ที่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติา ม, ม, าตมักอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทา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 ไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัต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 จักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะก็ตามสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่า ยานในการรู้ตามอณวิ ย, ยายนพิขุทั้งหลายยานทั้งสองคือธรรมยานและอณวิ ย, ยาณเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดภิขุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ ด, ดังนี้บ้าง ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัจธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัจธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้าง